เชิญส่งกันบ้านเลยก็แล้วกันเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าค่ะทั้งคืนนอนหลงพ่อมันมันเห็นจิตมันทํางานตลอดเวลาพอสติมันได้ปุ๊บมันก็ตัดเป็นช่วงๆเจ้าค่ะแรกๆเนี่ยตามดูพอเช้าตื่นมันเหนื่อยเจ้าค่ะอยู่ช่วงสองสาวันพอหลังจากนั้นเนี่ยมันมันเบื่อมันเห็นแต่ง่ายทุกคืนหลวงพ่อไม่รู้ยังไง มันเห็นอย่างเงี้ยแต่ตอนวันนี้หนูก็เลยใช้วิธีเอาสมถะช่วยเจ้คะ่ะมันก็เพ<ร>ิ่มน้อยลงในเวลาที่เราต้องการพักผ่อนนะครับเพักผ่อนด้วยสมถะเวลาที่เราเจริญสติจนสติอัตโนมัติเนี่ยไม่มีหยุดละวทั้งวันทั้งคืนอ ย, ยหมุนจีจีอย่างเงี้ยจะเห็นทุกข์ล้วนๆเลยรู<ช>้สึกแหมมันเหมือนเราถูกเชี่ยวกลัมให้แห้งขาดใช่เจคะ่ะก็เลย นี่นก็เราเจริญสติรวดไปเลยเนี่ยมันในการเป็นการปฏิบัติแบบแห้งขากแห้งแรงเรียว่าสุขขับวิปัสสกะอะไรเนี่ยใช่ไหมหลืมภาษาบาลีแนละ้วต้องถามฝ่ายวิชา ก, การื่อ น, นการภาวนาบางคนเดินสติรูปเดียวนะจะแห้งมันคล้ายๆใจเราถูกเชี่ยวกล้ำทั้งวันทั้งคืนไม่มีให้หยุดพักเลย อาศัยความอดทนอดกลัน้นอาศัยการหลบหลีกได้เล็กๆน้อยๆเช่นไหว้พราสวดมนต์อะไรเงี้ยช่วยได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าพอถึงขั้นอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันมันหยุดไม่ได้ตัวที่ทำให้หยุดได้เพียงเดียวคือสมถะหลวงพ่อไปเป็นช่วงนานนักหนาละสองพันห้าร้อยี่สิบกว่ากว่า มีช่วงหนึ่งภาวนาไปแล้วสติทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยแล้วไม่ไปทำเรื่องอื่นนะไปเห็นความไหวๆไวอยู่ภายในเห็นมันไหวปลิวๆๆิวปอยู่ข้างหนทั้งวันทั้งคืนกลางคืนเวลาหลับนะหลับแว บ, บเดียวนะใจก็เคลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ไปดูอีกแล้วใช่แล้วก็อาการเหนื่อยเหนื่อยมากเลยอยู่อย่างนี้เป็นเดือนดูสิเช็คความอดทนมากนะอยู่ทั้งเดือนหนึ่ง ็แล้วใจมันแห้งมากเลยวิ่งไปหาหลวง พ, พ่อพุธจำได้ใน<ม><ม>วันที่หนึ่งธันวาเอ่พอสอนอะไรจำไม่ได้ละที่จำได้เพราะท่านมีงานวันบูรพาจารย์อยู่ที่วัดพอดีทั้งพราทั้งโยมมาเต็มศาลาเลยท่านก็สอนใหญ่เลยนะไปแก้ให้เราแก้ไม่ตกไม่ว่าจะแสดงคำยังไงนะไม่ตกพยายามบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติ จิตมันทำงานสติทำงานอัตโนมัติแล้วเป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติเราฟังท่านว่าปกตินะแต่ ใ, ใจเรามันทนไม่ไหวมันแห้งแรงเหลือเกินไม่สำเร็จนะฟังท่านเทศชั่วเหนื่อยเลยชั่วโมงกว่าพวกตาก็มาตามเป็นระยะระยะว่าเลย เ, เวลาที่จะต้องทำพิธีกันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องแก้กรรมาฐานก่อนสำคัญกว่าสำคัญกว่าไปประกอบพิธีกรรมตรงนี้ ให้เขารอไปก่อนไม่ว่านิมนต์องค์อื่นเทศไปท่านสอนจนเหนื่อยเลยนะรู้สึกก็ไม่ลงบอกท่านนะแทนนี้กระแลแทนหลวงพ ม, มีธุระ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องกลับไปก่อนกลับมาบ้านนะมันก็ไม่หายเขียนจนหมายไปหาอาจารย์มหาบัวเคยถามท่านนะ่ไม่เจอท่านแต่ก่อนนี้เขียนไปท่านตอบเขียนไปเล่านะท่านก็ตอบกลับมานะส่นสั้นบอกเราเพิ่งไปทําตามมาใหม่ เขียนหนังสือยาวไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านอเอาเองให้ทําเตรียมพร้อมมาเล่มเอามาถึงโอเล่มใหญ่นะขี้เกียจอ่านธรรมดาไม่ชอบอ่านหนังสืออ่านแต่พระไตรปิฎกแล้วหนังสืออื่นไม่ค่อยอยากอ่านท่านให้มานะก็ยกมือไหว้ท่านทีนะขอบคุณท่านนะหยิบมาคลิกโพหน้านั้นเลยอตอบเรื่องเนี้โอ้ตอบเหมือนหลงพ่อพุณเลยใจไม่ลงอีกอีกวันหนึ่งออกไปทํางานนะ กในใจวันนี้ขอไม่ภาวนาสักวันเถอะมันก็ไม่ยอนเพราะภาวนาอยู่นั้นนะอ่ะอีกวันหนึ่งเอาแล้ววันนี้ไม่รู้จะทําอะไรแล้ววันนี้ขอทําสมถะดูสิลืมสมถะไปนะในขั้นที่เราเจริญปัญญาถึงขั้นตาลุมบอลเนี่ยมันลืมสมถะได้นะสมถะทํามาตั้งแต่เด็กพอถึงคราจะจะต้องใช้นะันลืมเหมือนไป ตอนนั้นก็ไม่รู้จะทําไงก็ขอทําสมาธิหายใจหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยนับหนึ่งนับสองนับสา ม, น, สามนับไปยี่สิบแปดทีใจก็สงบลงแต่ใจถอยขึ้นมายืนอยู่นะอยู่อยู่ที่ปลายร้อนใจถอยขึ้นมานะับไปเห็นได้ไหวๆบต่ก็ข า, ขาดลงนะโอ้ได้พักก่อนนะเหมือนลองวิเ่เองเพราะงั้นการภาวนาในมีสองทางนะทางหนึ่งก็ไปแบบแห้งแรงเฉลยนี้พาสนารวดไปใจจะแห้งแรง ทางหนึ่งเดินแบบเดินสองขาสบายหน่อยช่วงไหนมันแห้งแรงก็ทำความสงบเข้ามาช่วงไหนสงบแล้วนะก็ออกมารู้กายรู้ใจไปถ้าสงบแล้วก็พอใจในความสงบมันก็ไปไหนไม่รอดอีกยันเราก็ต้องดูจังหวะของเราคุณมารีทำสมาธได้ทำไปทำเป็นระยะระยะไปนะได้ทุกวันก็ได้แบ่งเวลาไว้ทำสิบนาทีอะไรเงี้ยยี่สิบนาทีไม่ต้องเยอะ เวลาส่วนมากสติของเราอัตโนมัติแล้วเราก็ไม่ใช้เจริญสตินี่พอเราสติเราแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นนะใจมันจะเริ่มเห็นธรรมะที่มันเข้าไปเห็นธรรมะได้มันเห็นได้สามแบบพวกหนึ่งเห็นทุกทุกคนเห็นทุกมันนะแต่พวกหนึ่งเห็นทุกเนี่ยเราเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นไปด้วยความแปรปรวนเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ นี่เห็นเห็นทุกข์เขาว่าไปเห็นอ น, นิจจังเขาบางคนเห็นทุกข์ก็ เ, เห็นความทุกข์จริงๆเห็นมันถูกเสียดแทงร่างกายจิตใจนี้มันถูกความทุกข์เสียดแทงบีบคั้นแทบจะแตกสลายเลยเปนพวกที่จะเห็นแบบนี้แล้วหลุดพ้นเนี่ยเป็นพวกที่เล่นสมาธิมากๆพวกเล่นสมาธิมากมันมีแต่ความสุขจิตใจมีแต่ความสุขเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสุขล้วนๆเลยปล่อยไม่ได้ชอบ ถ้าทำก็เมตตาปราณีเรานะเอาความทุกข์มาให้ดูทุกข์ทุกข์สุดๆเลยทุกข์แบบไม่ตายก็บ้าเลยอ่ะถึงกระทั่งโพ้ไปเห็นทุกข์แอบแจ้งมันถูกบีบคั้นถูกเสียดแทงถูกกดดันทั้งกายทั้งใจเนี่ใจถึงยอมวางนี่อีกพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งพวกนี้ไปธรรมดาธรรมดาเห็นเห็นไปนะดูไปเรื่อยๆเห็นทุกอย่างไม่เกี่ยวอะไรกับเราสักอย่าง ก็าวางไปเฉยๆพวกนี้สบายๆไปง่ายๆมีหลายแบบนะแต่ <Okay. S 1> รวมความแล้วการภาวนาเนะี่ยไม่ว่าจะฝึกแบบไหนการภาวนาที่ถูกต้องต้องรู้กายต้องรู้ใจการรู้กายการรู้ใจก็ต้องมีสติอันหนึ่งมีสัมมาสมาธิอันหนึ่งสองอันช่วยกันมีสติเป็นตัวระลึกรู้อะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึก อะไรเกิดขึ้นในจิตใจค่อยรู้สึกก็รู้สึกกายก็ยรู้สึกใจอยู่เรื่องมีสติมีสัมมาสมาธิคือในระหว่างที่รู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยไม่เผลอไปที่อื่นแล้วก็ไม่ไปเพ่งกายไม่ไปเพ่งใจสักว่ารู้สักว่าเห็นดูอยู่ห่างๆเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูเนะมื่อวานกลับเรียนถามท่านอาจารย์ไทาศารวิสาโรกลับเรียนถามท่านว่าหลวงพ่อคําเขียนท่านสอนอยังไงบอกสอน คล้ายๆที่หลวงพ่อสอนเนี่หลวงพ่อสอนกายท่านท่านสอนมาก่อนหลวงพ่อสอนเรื่องมีผู้ดูผู้รู้ผู้ดูนะหลวงพ่อคำเขียนท่านเนี่ยผู้เห็นมีผู้เห็นตรงที่จิตมีผู้เห็นนั่นแหละจิตมันมีสัมมาสมาธิคือมันตั้งมั่นเป็นคนดูเป็นคนรู้เป็นคนเห็นเห็นกายเห็นใจนั่นเขาทํางานไปเรื่อยๆสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจด้วยจิตใจที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ไหลเข้าไป ไม่เข้าไปแช่ในขณะเดียวันก็ไม่ลืมตัวถ้าลืมตัวไปก็ใช้ไม่ได้ถ้าเข้าไปตั้งแช่ไว้ในอารมณ์นะก็ใช้ไม่ได้เป็นแค่รู้รู้ผ่านผ่านเห็นทุกอย่างไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปรู้แต่แตแต่ระวางแต่ละวางไปเรียรู้ไปอย่างนี้เองไม่มีการปฏิบัติที่ยิ่งกว่า น, นี้หรอกตั้งแต่ต้นสายจนสุดสายเลยนะปฏิบัติแบบเดียวกันนี่แหละบางคนเคยสงสัยหลวงพ่อเองเคยสงสัยนะว่า พัสดาบันปฏิบัติแบบหนึง่งพัศกิธาคาอนาคาทําอีกคนละแบบหรือเปล่าอะไรเงี mm ้ย hmm. นึอว่าคนละอย่างกันที่แท้ทําอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่การล้าสังโยชน์ล้าไม่เหมือนกันล้าสังโยชน์เบื้องต้นเนี่ยล้าด้วยการเห็นความจริง mm hmm. เห็นด้วยทัศนะ์ล้าสังโยชน์เรื่องปลายเนี่ยอาศัยการเจริญสติมากๆเกี่วยวกัใจตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเกิดสัญญาอย่างแท้จริงเลยฉะนั้นเรียกว่าล้าด้วยภาวนา ในการเจริญสติเะฉนั้นราเบื้องต้นไม่ยากอะไรนะคอยรู้ลงไปที่กายที่ใจแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เราเห็นไปเรื่อยๆแหละเป็นใจวันหนึ่งมันยอมไม่มีเราร่างกายไม่ใช่เราเป็นแค่ของถูกรู้ถูกเห็นเวทนาไม่ใช่เราเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกเห็นสัญญาความจำได้หมายรู้จำรูปเสียงกลิ่นรสพวดตาปลาธรมารมได้ก็เป็นแค่ของถูกรู้ถูกเห็น สังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็ถูกรู้ถูกเห็นอีกอะไรๆก็ถูกรู้ถูกเห็นกรทั้งจิตใจที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ถูกรู้ถูกเห็นสิ่งใดที่ถูกรู้ถูกเห็นได้สิ่งนั้นไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่ไปรู้เข้าเท่านั้นเองดงนั้นกระทั่งนิพพานก็เป็นสิ่งที่ไปรู้เข้าเท่านั้นเองเป็นอารมณ์ที่เราไปรู้เข้าดนั้นนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราอีกดูไปดูมานะทั้งจักรวาลนี้หาตัวเราไม่มีเราเกิดจากความคิด ความหลงผิดในความเป็นจริงร่างกายไม่เคยบอกว่าเป็นตัวเราจิตใจก็ไม่มีตัวเราที่แท้จริงตอนลวงพ่อเด็กๆนะเคยเล่นกับเพื่อนบอกมาจับตัวกันเอเราจะจับมันนะมันวิ่งหนีไปเราวิ่งตามจับนี่จับได้แล้วมันก็ยอมรับสภาพที่เราจับตัวมันได้แล้วถึงเราซาวเราหนีมากเราวิ่งดี้นี่ไหนๆมันเข้ามันจับบอกจับได้แล้วบอกจับไม่ได้ ตอนเนี้ยที่จับอยู่นี่จับมือไม่ได้จับตัวเราสันหน่อยนมันโดนลวกเอวเราเลยเา้านี่จับเอวไม่ได้จับตัวเราสันหน่อยมันชักงงนะว่าแล้วตัวเราอยู่ที่ไหน <c oughs> ไม่รู้เล่นขึ้นไปได้ไงนะเล่นพอจริงๆแล้วมันกลายเป็นการแยกใช่ไหมพอแยกออกมาแล้วตัวเราหายไปนี่หลอกให้เพื่อนจับเพื่อนจับไม่ได้ซะทีเอยที่เราไม่ต้องวิ่งหนีแล้วแต่มันแพ้เรานะมันจับตัวเราไม่ได้าหาตัวเราไม่เจอ ไม่ใช่หายตัวไปไหนนะนี่เล่นอย่างเด็กๆที่หนูปฏิบัตินี่ถูกไหมคะลองงั้นเลยเหรอลูกสาวเหรอเพราะว่าันนั้นแบบอยากก้องห้ก็รู้ว่าอยากก้องห้แล้วก็ร้องไห้ออกมาค่ะ ม, มันไม่เห็นหายไปเลย อ, อยากร้องไห้ให้รู้ว่าอยากร้องไห้นะความอยากครอบงำจิตมันร้องไห้แล้วเราก็นั่งดูเอียคนนี้มันร้องไห้ไป ต้องทาอย่างนี้นะมีใจเป็นแค่คนดูเห็นยายคนนี้แกเศร้าเห็นยายคนนี้แกโกรธเห็นยายคนนี้ก็อยากร้องไห้เห็นยายคนนี้กําลังร้องไห้เห็นเหมือนเห็นคนอื่นเน่ะเวลาเราดูกายดูใจนะเราดูเหมือนเราดูคนอื่นไปเรื่อยๆฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยรู้สึกไ้มใจเป็นยังไงขณะเนี้ยใจมีปีติขึ้นมาเรารู้ว่ามีปีติดูเหมือนเห็นคนอื่นมีปีตินั่งดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆนะ หลาคนจะกลัวว่าตัวเราหายไปแล้วตัวเราหายไปได้แล้วก็คือหมดภาระนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือร่างกายกับจิตใจกายกับใจนี่มีทุกข์หลายชั้นแรกกายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์รู้สึกไหความทุกข์อยู่ในกายความทุกข์อยู่ที่ใจอันที่สองตัวกายตัวใจนี่แหละตัวทุกข์ตัวนี้จะเห็นได้ต้องเป็นตาริยบุคคลละฉะนั้นเราเห็นแค่กายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์ไห ความทุกข์แทรกเข้ามาแล้วความทุกข์ก็ผ่านไปนะความสุขแทรกเข้ามาแล้วความสุขก็ผ่านไปดูอย่างนี้ความสุขในกายความสุขในใจความทุกข์ในกายความทุกข์ในใจผ่านมาแล้วผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างดูไปเรื่อ <Made> ย <that stage> ในวันหนึ่งเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะนะเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่แต่เราอยู่ในโลกเราก็รู้สึกเรามีพ่อมีแม่นะแต่พ่อแม่ชนิดนี้ตายได้ บางคนเป็นลูกกำพร้ปปาแต่พอใจเราภาวนาใจเราเข้าถึงธรรมเราเจอพ่อเจอแม่ของเราเรามีพระพุทธเจ้าเรามีพระธรรมเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเรามีพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นพี่ๆของเราเดี๋ยวรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ไม่รู้สึกแบ่งแยกแล้วไม่ตายด้วยสิไม่ตายไม่มีตายอยู่กับเราได้ตลอดเพราะนนั้พอเราได้ธรรมมาแล้วเราจะมีชีวิตด้วยความอบอุ่นที่สุดเลย มีชีวิตอย่างอบอุนพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราตอนนี้ไม่เกิดไม่ตายต่อไปแล้วเรามีความสุขนิ่งภาวนาจนสุดขีดนะเราจะพบว่าเราเจอบ้านที่แท้จริงแล้วเรากลับมาสู่บ้านที่แท้จริงของเราได้ตอนนี้เรายังหาบ้านเราไม่เจอเราก็ลเลยเฮเร่ร่อนไปเรื่อยอาศัยบ้านเช่าไปเรื่อยคือพบโน้นพบนี้เปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนอาศัยบ้านเช่าเขาอยู่อยู่ชั่วคราวเจ้าของเขาก็ไล่เอาคืนไปแล้ว ร่างกานี้แตกสลดยไปไปหาบ้านเช่าหลังใหม่ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเรากลับบ้านเราได้เจอพ่อแม่พี่น้องเราอยู่ครบเลยโอ้สบายจังเลยนะชีวิตต่อไปนี้ไม่เงียบเหงาชีวิตต่อไปนี้ไม่มีว้าเวกแล้วมันเต็มมันอิ่มมันอยู่อย่างงั้นแหละจิตใจส่วนที่เหลือเนี่ยเต็มไปด้วยความเมตตานะไม่ใช่ความตักนะแต่เป็นความเมตตาที่เต็มโลกเลยมอง คนอื่นมองสัตว์อื่นนะด้วยความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะรู้สึกเห็นอกเห็นใจรู้สึกเคยลำบากมาด้วยกันทาวนาแล้วมีความสุขที่สุดเลยมีความอบอุ่นหลายคนว้าเวหลายคนเงียบเหงาทุกวันนี้นะเรารู้จักคนมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าเราก็เงียบเหงามากขึ้นเรื่อยๆชีวิตคนทุกวันนี้น่าสงสารมากคนแต่ก่อน รู้จักคนไม่มากนะอยู่กับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายรู้จักไม่กี่คนสังคมก็เล็กๆรู้จักคนไม่มากแต่อบอูนกว่า น, นี้นะทุกวันนี้รู้จักคนมากขึ้นแต่ว่าว้าเหวมากขึ้นเงียบเหงามากขึ้นมีของชินของใช้มากขึ้นนะแต่ว่าหิวมากขึ้นใจเต็มไปได้วยความหิวตลอดเวลาเลยมันไม่รู้จักพอไม่รู้จใจยิ้มไม่รู้จักพอ งั้นเรายิ่งพัฒนานะแต่ยิ่งหาความสุขได้ยากขึ้นเรื่อยๆอย่าหลงโลกนะโลกไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงได้จริงเท่าไหร่หรอกหันมาศึกษาในกายในใจนี้โลกเป็นแค่เครื่องอาศัยจําเป็นต้องมีมีเสื้อผ้ามีอาหารมีที่อยู่อะไรอย่างนี้จําเป็นนะมีหน้าที่การงานของจําเป็นของอาศัย แต่จริงๆแล้วคนสแสวงหาสิ่งต่างๆนะวัตถุประสงค์จริงๆต้องการความสุขแต่ยิ่งดิ้นหาสิ่งอื่นๆแล้วก็ยิ่งไกลความสุขออกไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนเข้ามาเรียนรู้อยู่ในกายในใจนี้วันหนึ่งความทุกข์มันหลุดออกไปจากจิตใจนี้แล้วเนี่ยเราจะเจอความสุขที่มหาศาลมีสุขจริงๆนะพอได้ยินครูบาอาจารย์บอกต่อๆกันมาหลายองค์ เล่าเฉพาะองค์ที่ท่านไม่อยู่แล้วจะได้ไม่เป็นการประกาศเพื่อหาลาภสกสาระอย่างหลวงปู่สุวัตเจอท่านที่ไรนะท่านบอกโอ้สุขแท้นอ้อสุขแท้นอ้อสุดขสุขแท้นอ้นอเราบวชมาเราไม่นึกเลยว่ามันจะมีความสุขได้ขนาดนี้มีความสุขมากครูบาอาจารย์แต่และองค์แต่และองค์นะงั้นวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งได้ริมรสชาติของความสุขนี้ ถ้าเราไม่ท้อถอยในการที่จะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราไปเรื่อยๆกายกับใจนี่แหละตัวทุกข์ถ้าสามารถปล่อยตัวทุกข์ทิ้งได้เราจะไม่มีความทุกข์อีกแล้วแต่ จ, จะมีแต่ความสุขล้วนๆต้องอดทนนะค่อยๆเรียนค่อยๆฟังไปอ้าว่างไงส่งกันบ้านหน่อยวันนี้สู้มาหวานไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าอยากให้เหมือนเดิม อยาให้เหมือนเดิมจะไม่เหมือนเดิมเขาไม่ได้คิดถึงคั้นนั้นนะฮะมีมีความรู้สึกว่าจิตไปเกาะอยู่ที่ความคิดสลับกับลมหายใจอะครับแล้วมันจะนิ่งนิ่งมันของเสื่อมมัวครับให้รู้ไปว่าหมัวพอมันหมัวนะอย่าเกลียดมันให้รู้ความมัวด้วยจิตใจที่สบายสบายรู้ไปด้วยความเป็นกลางพอเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่สบายสบายเนี่ยนะเราจะสัมผัสความสงบความสบายในจิตขึ้นมาได้เลย ทางๆ ท, ที่ความวุ่นวายก็ยังปรากฏอยู่ความสงบความสบายก็จะปรากฏผุดขึ้นมาเฉยๆเลยนะเราก็จะอยู่กับความสุขความสบายตัวนี้ได้แล้วเราก็จะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งความมัวก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามาชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะท่านเทียบคล้ายๆเหมือนกับอะไรนะท่านพุทธทาสชอบพูดลิ้นงูอยู่ในปากงูนะใจของเราที่ฝึกฝนไปแล้วนะแต่ไม่ใช่ถึงขัน้นพระอรหันนะ ถ้าเรหันไม่มีลิ้นไม่มีงูนะเนี่ใจของเราที่ฝึกดีแล้วเนี่ยสติสมาธิมันหล่อเลี้ยงรักษาปัญญามันหล่อเลี้ยงรักษาไว้มันมีความสุขอยู่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายนะนะั่นแหะท่ามกลางกิเลสที่เร่าร้อนนะมีจุดที่เยือกเย็ยนอยู่มีจุดที่สงบจุดที่เยือกเย็ยนจุดที่สงบที่เยือกเย็ยนนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราไม่ไปปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่เกลียดความเร้าร้อนนั้น ไม่เกลียดความมืดมัวนะั้นไม่เกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างมองกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาที่เป็นมิตรพอเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาที่เป็นมิตรนะใจเราจะมีความสงบสุขขึ้นมาดนะนั้นเรามองกิเลสที่ผ่านมาไม่ใช่มองด้วยความเกลียดชังเมื่อไหร่เธอจะหายไปแต่เมองเหมือนเราเห็นคนคนหนึ่งผ่านมา่นะผ่านมาแล้วเขก็ผ่านไปเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สวนโพนะมันมีงูเห่า มันออกไข่ออกรูปมานะด้วยตัวเห็นตัวแต่แค่นี้คืบกว่าๆนะงูเห่าเห็นมันเรื่อยๆนะจนตัวมันสองเมตรได้วันเท่านี้อยู่กันอย่างเป็นมิตรนะอยู่กันอย่างเป็นมิตรเราไม่ได้เกลียดมันแนละ้วมันก็ไม่ได้เกลียดเราขนาดงูเห่าว่าร้ายกาจใช่ไหมถ้าบางคนเห็นแล้วต้องฆ่าให้ตายเพราะรู้สึกว่าเป็นศัตรูกันถ้าใจเราไม่ได้รู้สึกเป็นศัตรูแต่ไม่ใช่ซุ่มซ่ามไปถืองมงายไปเหยียบมันเล่นนะ ถือว่าไม่มีกรรมแล้วถึงเหยียบมันก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่นะแล้วเราก็มีสติของเราอยู่เพราะน่ารักมากเลยตัวเขาดาปีเลยนะยังยังกันนินเลเวลาสะท้อนแสงพระอาทิตย์นี่สวยมากเลยเรานั่งใกล้ๆเ้าก็มามุดเลื้อยมุดอยู่ใกล้ๆนี่นะมาหาอะไรกินของเขาตามหน้าที่ของเขา ใ, ใจเราไม่ปฏิเสธเขาเราก็มีความสุขในทางนามธรรมาเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราไม่สบาย ใจเราไม่ปฏิเสธความไม่สบายนั้นนะใจจะมีความสุขได้ถ้าไม่สบายเราไม่ชอบหรืออยากหายป่วยลูกเดียวเลยนะหรือนั่งสมาธิอยู่อยากจะหายเมื่อยลูกเดียวเกลียดความเมื่อยอจับจิตจับใจความเกลียด น, นั่แหละทําลายเราความเกลียด น, นั่นแหละนําความทุกข์มาให้เพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะมูรจิตเท่านั้นความทุกข์ทางใจไม่เกิดจากจิตชนิดอื่นแต่เกิดร่วมกับโทสะมูรจิตเพราะฉะนั้นถ้าเราอย่างปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ใจจะทุกข์ แต่ขณะที่เราไปเห็นความมัวจิตไม่เกลียดความมัวสักว่ารู้สักว่าเห็นเห็นความมัวเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่ผ่านมาเขามาเยี่ยมชื่อกราวนะไม่ได้เกลียดเขาแต่ไม่ได้เรียกเข้าบ้านนะไม่ต้องยุ่งกับเขามากขนาดนั้นไม่ต้องใจดีถ้าจะเห็นเขามาแล้วเขาไปบางทีเขาก็เดินเข้ามาในบ้านเราคือจิตเรามัวไปด้วยบางทีเขาไปยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยความมัวกับจิตแยกออกจากกันยังไงก็ได้ไม่ใช่ว่า พยายามผลักให้อยู่หน้าบ้านไม่ให้เข้ามาอยู่ที่จิตพอไหลเข้ามาอยู่ที่จิตแล้วกลุ่มใจอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้จิตใจก็จะเศร้าหมองอีกเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะให้รู้ไปรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงไม่รักไม่ชังเขาไม่รักไม่ชังแต่ทั้งการกิเลสก็ไม่รักกิเลสคือคร้อยตามเขาไม่ชังกิเลสคือหาทางละเขาให้รู้รูปเดียวทําไมหลวงพ่อสอนวิษฐานอย่างนั้นว่าให้รู้กิเลส ไม่ได้วิฐานนะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะพุทธเจ้าบอกว่าให้เรามีสติรู้จิตมีราคะก็รู้โทสะก็รู้อะไรเงี้ยแล้วกิเลสเองอยู่ในสังขารขันหน้าที่ของเราต่อขันเนี่ยคือการรู้ไม่ใช่การละนะให้เรารู้ไปกิเลสเกิดขึ้นก็ให้รู้ไปมีกิเลสอยู่ตัวเดียวที่มันมีสองหมวดสองหน้าที่สองเก้าอี้คือราคะราคะ ที่ย้อมใจเราปกติอย่างเงี้ยหน้าที่เราก็มีหน้าที่รู้ไปเช่นเราเห็นสาวคนหนึ่งแล้วจิตเกิดความรักขึ้นมาเนี่ยให้รู้ไปไม่ใช่ให้รักแต่ถ้าใจมันอยากไปจีบเขาในความอยากเกิดราคะที่แปรสภาพมาทําหน้าที่ของความอยากนะราคะที่ทําหน้าที่ของความยึดถือตัวตัณหาตัวปารานเนี่ยหน้าที่ของเราคือรักเพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าใจมันรักสาว ก็รู้ว่วมันรักสาวก็เห็นเลยความรักนี้อยู่ช่วคราวแล้วก็ดับไปดับไปไม่ต้องไปละมันมันดับของมันเองนะมันมีเหตุมันก็เกิดมันหมดเหตุมันก็ดับนะเหตุคือเราเป็นมีกา ม, มาวิตกขึ้นมากา ม, มาราคะก็เกิดไม่มีกา ม, มาวิตกไม่ไปคิดเรื่องสาวควนนี้ความรักสาวควนนี้ก็หายไปแต่ถ้าแหม่มันอยากได้เข้ามาแล้วนะอยากลุกรี้ลุกรนร้อนแผดเผาจิตใจเราระอุร้อ น, นขึ้นมาเนี่ อยากขึ้นมาอย่างเนี้ยให้รู้ทันความอยากของไปนะอย่าตามใจมันความอยากนี่มันจะดับไปปัญหาน่ะถ้าเรารู้ทันมันก็ดับเหมือนกันซ่อจริงจริงมันก็ยังเป็นราคะนั่นแหละดังนั้นวิธีจัดการกับปัญหาที่ว่าให้ละปัญหาละปัญหานะในเบื้องต้นก็ละด้วยการรู้มันให้มันละของมันเองแต่ว่าปัญหาในเบื้องปลายเนี่ยถ้าเราละความยึดถือกายยึดถือใจได้ด้วยการรู้ทูกอย่างเข้มแจ้ง ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ต้องละมันละอัตโนมัติคือไม่มีอีกแล้วละสมุเทเฉดเลยนั่นทำมามีหลขั้นมีหลายตอนหลวงพ่อครับใ น, ในกรณีที่ปัญหาเรารู้แล้วแต่จิตมันไม่ยอมละจะทำยังไงครับทำไม่ได้ให้รู้ไปว่าจิตนี้ยังโง่อยู่จิตจะต้องได้รับความทุกข์ให้พอก่อ น, อนถึงจะยอมจิตยังเห็นทุกข์ไม่พออันนี้ครูบาอาจารย์เคสอนหลวงพ่อมานะเมื่อปีสองหก ไม่ใชส่สองห้าสองห้าขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลไปกับพงเชษไปกันเสร็จแล้วก็ออกจากท่านนะขึ้นไปโน่นเลยไปหาหลวงพุทเทศด้วยพงเชษขึ้ไปสามท่านหลวงปู่ผมจะละกลามมาราคาได้ยังไงแต่ ใ, ใจมันยัง อ, อาลัยวอนอยู่ฉันบอกอาวอนละไม่ได้ต้องเห็นโทษต้องเห็นทุกข์ต้องเห็นโทษถึงจะละได้ เพราะอย่างกิเลสที่เกิดขึ้นมาความอยากเกิดขึ้นมาหรืออะไรเกิดขึ้นมาแล้วเรายัางละไม่ได้เนี่ก็จะย่างทุกข์ไม่พอถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าเนี่ยทุกข์ล้วนๆ น, นะยังไงก็ไม่เอางั้นการรู้ทุกข์นี่แนละเรื่องสําคัญที่สุดในการภาวนารู้ลงไปรู้ลงไปในกายในใจเห็นกายนี้ก็ทุกข์จิตนี้ก็ทุกข์เห็นอย่างนี้ถึงวันหนึ่งเขาถึงจะวางเพราะฉั้นอย่าเกลียดทุกข์นะทุกข์เนี่ยดีเอาไว้รู้ ถ้ามันยังไม่พอมันไม่วางไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้จิตเขาหลุดพ้นของเขาเองเขาหลุดพ้นของเขาเองได้เพราะเขามีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาแก่รอบเขามีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาแกร่มมญญแกรอบได้ด้วยตัวของเขาเองแต่หน้าที่ของเราก็คือพาให้เขาเรียนรู้ไปอย่าพาเขาเที่ยวร่อนเร่ไปพาให้เขาคอยรู้กายพาให้เขาคอยรู้ใจ เวลาเขารู้กายรู้ใจก็อยา่าเผลอเผลนไปที่อื่นอย่าไปเพ่งใส่กายใส่ใจให้สักว่ารู้ว่าเห็นรู้อย่างมีสมาธิอย่างมีสัมมาสมาธิแล้วเขาจะเห็นความจริงของกายของใจด้วยตัวของเขาเองพอเขามีความรู้ขึ้นมาด้วยตัวเขาเองอเขาก็หลุดพ้นของเขาเองเราปฏิบัติกับจิตเนี่ยเหมือนลูกเรานะเหมือนเด็กคนหนึ่งเราไปฉลาดแทนลูกไม่ได้นะเราอาจจะฉลาดแต่ลูกโู ทำยังไงก็ไม่ฉลาดเราไปทํำความฉลาดแทนเขาไม่ได้แต่เราพาให้เขาเรียนได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้เขาเช่นอย่าไปพาเขาทําผิดศิลธรรมให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาได้ศึกษาได้ฟังธรรมให้เขาได้ปฏิบัติธรรมรู้กายรู้ใจอะไรเงี้ยหรืออย่างเราเลี้ยงลูกก็ให้เขาได้เรียนหนังสือให้ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบเพื่อนที่ดีเขาจะเกิด ความรู้ความฉลาดที่เองและเขาสอบได้ของเขาเองเขาสอบได้ของเขาเองเขาเขาฉลาดของเขาเองเราไปสอบแทนลูกไม่ได้หรือบางคนทาได้ก็ไม่รู้นะงั้นเราฝึกจิตใจนะให้เขาให้จิตใจได้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรื่อยๆตอนนี้เขาเรียนรู้จนเหน็ดเหนื่อยแล้วก็พาให้เขาได้พักผ่อนบ้างให้เขาทำความสงบเข้ามา เ้าพักผ่อนพอสมควรแล้วเขาขี้เกียจขี้คลานเหมือนลูกเราขี้เกียจเนี่ยเราก็ต้องเร่งรัดเอออย่าขี้เกียจนะคอยทํากันบ้านคอยเรียนหนังสือคือคอยรู้กายรู้ใจไวเขารู้ไปเหนื่อยแล้วก็ให้เขาพักอีกะเนี่ยเป็นระยะระยะอย่างนี้ไปพอเขาเติบโตขึ้นมานะเขาก็มีความรู้ของเขาเองเรา จ, จัดการกับจิต ด, ด้วยวิธีเดียวกันนี้อย่าห้าวหาญไปกูเก่งกูจะทําจิตให้หลุดพ้นนะ หลวงพ่อเคยนะมันขนาดภาวนาจนชำนาญแล้วนะปีสองสักปีสามสามหกสามเจ็ดอะไรเงี้ยภาวนาวู้ทำไมตรงนี้ไม่พัฒนาภาวนาใหญ่อยู่ที่วังน้ำมอบสาขาอินหมักเป้งในภาวนาที่นั่นเสร็จแล้วมันหนึ่งเหนื่อยแล้วก็เลยเดินก็ไปในโรงครัว ก็มีตู้หนังสือธรรมะอยู่ตู้ขี้ฝุ่นเก่อเลยนะแบบชาตินี้ยังไม่เคยมีใครเปิดเลยตั้งแต่ปิดไปแล้วยังไม่เคยมีใครเปิดนะไม่เปิดมาเจอหนังสือขอยจันทร์มหาบัวเล่มหนึ่งเข้าสู่แดนนาวากาศของจิตของธรรมยืมเข้ามานั่งอ่านอ่านได้ไม่กี่หน้านะปกติไม่ชอบอ่านหนังสือแตอ่านไม่กี่หน้าใจมันก็สอนขึ้นมาบอกว่าไม่มีใครทําจิตให้หลุดพ้นได้หรอกจิตเขาหลุดพ้นของเเาอง แล้วอ่านในเรื่องของท่านมีเรื่องที่จิตของท่านหลุดพ้นอะไรเยอะแยะนะถ้าปิดหนังสือยกมือกราบท่านนะเอาหนังสือไปเก็บเข้าตู้ <c oughs> แล้วก็มารู้กายมารู้ใจไปให้จิตเขาเข้าใจของเขาเองไม่มีอะไรหรอกไดยง่ายสุดๆเลยนะการน้ัพสการหลวงพ่อเมื่อวานตื่นเต้นก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ส่งการบ้านหรืออะไรนี้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีการบ้านที่จะส่งแต่จะเรียนถามงหลว ง, งพ่อว่าที่โยมปฏิบัติอยู่นี้ใ ช, ใช้ได้ไห<ด><ด>มค่ะใช ไ, ได้แล้วฝึกไปเรื่อยๆ อ, อย่าขี้เกียจนะเสื่มได้นะค่ะค่อยรู้ไปงไั้นแหละใจเราก็รู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้เมื่อกี้ไปกดไปนิด น, นึงแล้วก็หลงหรือว่าไหมกดแล้วก็ต่อได้หลงที่ฝึกอยู่ใช้ได้ล้ดีแล้ว คนนี้เดี๋ยวหมดเวลาแล้ ว, วตอบให้เลยมีโมูหานิดนึงดูออกไหมจใจลอยไปแล้วซึมเดี๋ยวภาพต่อไปก็ค่อยหายซึมได้คนนี้ต้องกินข้าวแล้วหายซึมบางคนได้กินข้าวแล้วซึมเราต้องดูตัวเองอยังไงเหมาะกับเรานะตอนนี้ซึมน้อยกว่าเก่ารู้สึกไหมรู้สึกไหมใจหนีไปแล้วใจมาอยู่ที่หลวงพ่อ ให้รู้ลงไปนะมันเป็นยังไง ร, รู้ลงไปเลยอ่ะเชิญโยมไปจันทร์ข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์ครับ